ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธารชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้นำเอาอุปสถรสูตรคือประสูตรที่ว่าโดยการรักษาโภสดในอัตกะนิบาตอังคุตรนิกายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟัง นานมาแล้วเคยพูดเรื่องอุบาสกอุโบสถสามประเภทตามในญ า, าี่ทรงแสดงไว้ในทิการนิบาตคุตรนิกายเป็นการพู ด, เ ป, เ, ปพด เ, ปเป็นการพูดถึงลักษณะการรักษาว่าบุคคลประเภทแรกนั้นรักษาโบสถแบบนิกนารถาวโบสถซึ่งพุทธศาสนาเองไม่ยอมรับ เราเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าเลือกปฏิบัติเช่นวันนี้ต้องการจะงดเว้นการฆ่าสัตว์ในทิศนั้นทิศนี้โดยเดินไปก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ด, ด้านความมือด้านซ้ายมืออะไรต่างๆหมายความว่าเป็นงดเว้นสัตว์บางพวกแต่ยังฆ่าสัตว์บางพวกได้รัฐธรามนูไม่ยอมรับเพราะเป็นอุโบสถ แล้วก็ถือปฏิบัติกันมาก่อนก็ศีลหา้าศีลโสดเป็นศีลโบราณ น, นนะฮะเป็นศีลที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างเราพบพระโพลิทัศน์พระภูริทัศน์โภชิสัตวที่เป็นพญานาคก็รักษาโสดโสดอีกแนวหนึ่งเรียกว่าโคฟาละอุโบสถเป็นการรักษาโบสถศีลแบบคนเลี้ยงโค มายความเป็นการปฏิบัติตามรูปแบบสมาทานบุสตไปแล้วก็อย่างนั้นอยนะ่างนั้นถึงก็นึกละเมิดได้เดือดๆเฉยๆบันทีผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็ละเมิดสินซะละเมือนก็เด็กเลี้ยงโคคือไม่ได้กินนมโคเพราะนมโคก็เป็นเจ้าของอเป็นเป็นของเจ้าของโคแต่ตัวเองก็ได้จะประคาจ้าง อีกแนวหนึ่งเป็นระยะอุโบสถเป็นการรักษาอย่างจริงจังๆมีความเข้าใจเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆในการรักษาเพราะแนวอุโบสถนี้อุโบสถในสูตรนี้ก็อธิบายในแนวข้อที่สามเป็นอธิบายที่ค่อนข้างแปลกนะฮะเป็นการศึกษาแนวความดีจากพระยาบุคคล ความมาทัศน์ผู้นั้นมองไปที่องค์พระรยบุคคลแรือมองไปที่พระอรหันต์เลยทีเดียวมองไปที่พระอาหา ร, ะอระอาหารันต์แสดงว่าเข้าใจคุณธรรมของพระอรหันต์แล้วตนเองก็พยายามปฏิบัติตามรอยพระอาหารหันต์จนสามารถตรวจสอบดูตัวเองว่าได้เดินไปตามทางพระอรหันต์แล้วก็เกิดปิติประโมท ได้รับสั่งขึ้นต้นพระสูตรว่าพระสูตรทั้งหลายโบสถ์ติสีนที่บุคคลสมาทานรักษาดีแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญก้าวหน้ามากมาความอมโบสถ์ก็เป็นเหตุ เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าความสำเร็จในเรื่องต่างๆคนนี้อย่างที่เคยเล่าถึงคนช้ยองอนาตบินดิกาศเศรษฐีที่ตายไปบังเกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ที่ใต้ที่ต้นไทรนะฮะเป็นการราสสักษาบุตรศรีเพียงกึงเพียงกึ่งเดียว คือในครอบครัวของอนาตบินนิกาศิษธีนั้นทุกคนต้องรักษาวโวสตสีหมดแสดงว่าเป็นช่วงหลังๆก็มีคนชายเข้าใหมา่คนหนึ่งไม่รู้กติกาตรงนี้ตอนเช้าตื่นแล้วก็ไปทำงานตามที่ได้รับการมอบหมายก็กลับมาตอนเย็นคนก็เสียอาหารไว้ให้แต่บ้านเดือดมันเงียบไปหมด คนรักษาโบสถ์นั่งไหวพระสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิหรือว่าหลับพักผ่อนไปแต่ว่าไม่มีเสียงเชิญชวนชักชวนรับประทานอาหารไม่มีการพูดคุยเกิดสงสัยข้องใจว่าคนอื่นไม่รับประทานอาหารเขาบอกว่าไม่ได้รับประทานเพราะว่าเป็นวันโบสถทุกคนก็รักษาโบสถตัวนี้เป็นเรื่องความคิดเช่นเดียวกันก็คิดคล้ายๆกันในสูตรที่ทรงแสดงเนี่ย สุกตะ บ, บุรุษคนนั้นก็คิดว่าเรามาอยู่ในถ้ำกลางผู้มีศีลท่านรักษาศีลกันแล้วเราไม่รักษาศีล น, นี่มันอยู่ร่วมเขาไม่ได้หรอกพร้อมก็ขอรักษาด้วยว่าถ้าเขาจะ อ, อธิษฐานรักษาศีลตรงนี้ขณะ น, นี้ตอนเย็นแล้วเนี่ยมันจะได้อในสงหรือเปล่าอนาถบินิกะเศรษฐีก็บอกว่าได้แต่มันได้กึ่งเดียวพราเวลามันผ่านมาตั้ง12ชั่วโมงแล้ว แกบอกกึงเดียวก็เอาขอรักษาด้วยแต่๋ยวเพราะว่าไม่ได้รับประทานอาหารตั้งแต่เช้านะฮะพอตกดึกขึ้นมาผมก็หิวอนนานาันทบินดิกาเศรษฐีก็แนะนําให้กินน้ําตาลกรวดเพื่อบรรเทาความหิวแกก็ไม่ยอมถ้ากินก็ดื่อต้องกินด้วยแต่ถ้าถ้าคนอื่นไม่กินแกไม่ยอมกิน วนเนอื่ก็ไม่ยอมตั้งใจจำบวมระวังรักษาศีลแก่บอ ก, กเกิดมาชาติหนึ่งก็เพิ่งรักษาศีล่างนี้รักษาให้ได้แล้วกันร่างกายมันก็ไปเล่นด้วยนะฮะตกดึกก็ตายเดี๋ยวตายด้วยศีลตัวการได้รึกสูงศีลมีศีลานุสติก็บังเกิดเป็นกกรูปกเทวดาที่มีทานุภาพมากแล้วก็ไปช่วยคนหลงทางไว้ได้สี่ห้าร้อยคนแล้วก็บอกให้คนเหล่านั้น ทราบเรื่องผลนนในสู์ที่แกรักษาสิก็ทาให้คนเหล่านั้นเข้ามาบวชในตำแหน่งพระพุทธเจา้ามันยังทรงแสดงว่ามีผลมากมีนในสูงมากมีความรุ่งเรืองมากมีความก้าวหน้ามากเป็นการมีบัตรที่พัฒนาใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งประนีขึ้นแต่โดยข้อกำหนดจริงๆนั้นรักษาถ้าเรานับเวลามันไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมง แต่บอกวันหนึ่งก็คือหนึ่งณวันนี้นะฮะณเวลาวันนี้อย่างนี้สมาทานศีเนี่ยในศีลก็บอกว่าอย่างนั้นเลยว่าวันหนึ่งก็คือหนึ่งณวันนี้หมายความว่าเอาเฉพาะวันเนี้ยวันหนึ่งก็คือหนึ่งณวันนี้ทีนี้ความคิดเนี่ยทรงสแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มองดูพระอาราหันต์ทั้งหลายเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นงดเว้นจากปาน า, าทิบาต ไม่มีสัตว์ราวดธเครื่องประหารมีความสารวงระวังในสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยฮิริโอตปะมีความเมตตาอนดูในสัตว์ทั้งหลายมันมีอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนไม่ประทุสร้ายใครแล้วก็ต้องการที่จะเป็นแต่เป็นอย่างพระอระหรันต ในตำนองเดินตามหลังผู้ใหญ่นะฮะเดินตามหลังผู้ใหญ่คือดูผู้ใหญ่แล้วก็เรียนผู้ใหญ่เป็นแนวของของโลกาทิปไตยมายความมามองคนอื่นแล้วก็ถือเป็นแบบในการปฏิบัติก็ตั้งใจสำรวมระวังสิ้นเดือดกัน ง, งดเว้นแต่การฆ่าสัตว์ไม่พกพาอาวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลาย มีความละอายในบาปจนถึงมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ต่างๆให้แต่ลองสังเกตว่าในองค์ศีลที่ทรงแสดงแต่ละข้อเนี่จริงๆมันไม่มีธรรมะเฉพาะศีนหรอกมันมีธรรมะอีกตั้งเยอะเพียงแต่มไม่เอามาพูดแต่นั้นเองเพราะว่าเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันทํานองการรับประทานอาหารที่เคโยโยกตัวอย่าง รับประทานก็ไปแล้วมีมีอะไรอยู่เยอะแล้วก็จัดปัญหาต่ า, างๆไปอีกเจอะพเพียงแต่ไม่ออามาพูดเท่านั้นเองเพราะตรงนี้เราจึงเห็นว่ามีการสำรวจระวังทางกายทางวาจาแล้วตลอดถึงมีจิตสำนึกละอายต่อ บ, บาปที่จะฆ่าจะพุทธตายไปเปลี่ยนสัตว์มีความเมตตาอินดูก็คือเมตตากุณานในสัตวต มันมีเป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรมมีลาแสดงจริงๆนะฮะมันมีทั้งศีลทั้งธรรมแต่ว่าตอนมาสมาทานเราก็พูดเฉพาะศีลไปก่อนะนะเด็กๆแต่ในพระบาลีจะบอกอย่างนี้ตลอดในช่วงแรกจะเป็นศีลในช่วงช่วงต่อมานี้จะเป็นธรรมะก็เป็นฐานใจเป็นหลักใจก็ทําให้การใช้ชีวิตมีความปร่งเบาสบายไม่มีเวรไม่มีภยัไภยไม่ประทุสร้ายใคร ถ้าเราสังเกตว่ามันมันเรื่องเรื่องศีลมีสามตอนเป็นตอนที่มองท่านพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็เกิดประทับใจในบุคลิกของพระอรหันต์แล้วก็ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็สม า, าส ท, ทานศีลนัตถิฐานศีลแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น แล้วมาช่วงตรงนี้ถ้าเราดูวิธีคำพูดคำความความคิดเนี่ยเป็นรูปของศีลานุสติคือมาตรวจสอบดูศีลตัวเองแล้วก็เห็นว่าความบรสุดปดจดเนี่ยก็มีอยู่ในตัวเองก็เกิดปีติประโมทภาคภูมิใจที่ตัวเองได้เดินไปตามทางของพระอระหันต์เพื่อเลยไปการบัติอยู่สามตอนใช้บทเรียนจากบุคคลข้างนอก แล้วก็นำมาเป็นหลักของตัวเองแล้วก็เห็นว่าตนได้ปฏิบัติตามนั้นก็เกิดปิติประโมทในเรื่องศีลแต่มันมีอยู่สามตอนที่บอกว่าทรงแสดงแปลกเราไม่ค่อยพบบ่อยนักนะฮะแสดงไว้แปลกว่ามันซ่อนๆกันอยู่ในในศีลนั่นเองในเรื่องอตินาทานก็เป็นเจเนกันก็มองพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกนั้นไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ รับบินดีสแสวงหาใช้สอยเฉพาะของที่ได้มาในทางที่ชอบทำท่านอยู่ในโลกอย่างไม่มีเวทไม่มีภัยไม่มเบียดเบียนใครไม่ประทุษสลายใครในความปรงเบามีความสะดดสบายแล้วก็แม่เราเอง นะแม้เราเองก็มาดูที่ตัวเราก็ตรวจสอบตัวเราก็ก็นัยยะเช่นเดียวกันงดเว้นจากการถือสิ่งของที่รองก็ไปให้ด้วยอากาศแห่งขงโมยเสวัหาปรารถนานะที่จริงมันก็ปรารถนาสวังหาได้มาถือครองบริโภคใช้สอยออสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบทำ แล้วเกิดภาคภูมิใจเอื้อปีนใจที่ตัวเองได้เดินไปตามเส้นทางของพระหรันได้ปฏิบัติตามพระหรหันมากกว่าพระหรหันท่านปฏิบัติยังไงเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นก็เห็นความสวัสดีเกศตนเป็นแนวกับแนวเดียวกับในวิธุระชา ด, ดกซึ่งเคยพูดหลายปีมาแล้วนะฮะในสาธุนรธรรมในวิธุระชา ด, ดกที่ทรงแสดงไว้เป็นข้อแรกกว่าให้เดินไปตามหนทางดีท่านได้เคยเดินคือดูตัวอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วก็เดินไปตามบนทางของท่านหมายความผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหลักจะมองพระอริยะบุคคลมองพระอราหันต์เป็นหลักและในชิ้ข้อที่สามนั้นมันก็เปลี่ยนจากกาเมนะฮะเป็นอภรรษบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกนั้นดําเนินชีวิตอย่างคนที่ไม่ดําเนินชีวิตอย่างคนที่ไม่เป็นโสตจำนวนบลีใายแปลก ไม่เป็นสูตรแต่กลับดำเนินชีวิตที่เป็นสูตรมีความสำรวมระวังในเรื่องกรมคุณทั้งหลายก็อยู่ในโลกโด้วยความบริสุทธิ์หมดจดความสะอาดจากเรื่องของกรมคุณก็ไม่มีเวรไม่ภัยเป็นเดียวกันแล้วก็มองกลับมาที่ตัวเองก็ปฏิบัติเป็นแนวนั้น แล้วเกิดปีติปราโมกเกิดความสุขใจสบายใจที่ได้เดินไปตามทางของประหันมาถึงมุสาวาทก็มองอย่างนั้นว่าประหันทั้งหลายนั้นได้งดเว้นจากการกล่าวคําเท็จพูดเฉพาะคําสัตย์คําจริงมีความเมตตาอินดูนะพูดเดียวเป็นเมตตาวาจาในความวาจาที่พูดออกไปนั้นพูดโดยเมตตา เพระันเราโดยจึงพบบางทีก็ดุนะฮะพระพุทธเจ้าตั้นก็ดุพระหันตั้งหลายตั้งก็ดุพระหันตั้งหลายไม่ค่อยเจอดุแต่หลายพุทธเจ้ า, าเนี่เจอดุบ่อยเพราะว่าพุทธเจ้าทั้งตกปกครองสงูงก็เจอดุบ่อยแต่ว่าพูดด้วยความกรุณาพูดลักษณะหมอต้องผ่าตัดคนป่วยพูดในลักษณะช่างเหล็กที่เหล็กช่งางไม้ถักไม้อย่างดียกตัวอย่างเคยเกิดผลประโยชน์แก่ผู้ที่ฝัง แล้วก็ตรวจสอบที่ตัวเองก็มองเห็นว่าตัวเองก็ได้ประพฤติปฏิบัติไปในลักษณะนั้นอย่าไปน้นึกซึ้งยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่หมายความว่าก็เห็นว่าตัวเองปฏิบัติไปอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งนะวันนี้ทุ ก, ท, ก, ท, กทุกคำอไอ้คำ ว, ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งณนะวันนี้นี่จะมีอยู่ทุกจิขาบทแล้วก็มองไปที่สุรา ระหารทั้งหลายนั้นงดเบนจากการดื่มสุร า, านานาชนิดว่าสุราไปเยอะเลยหลายชนิดสแสดงว่าโบราณเนื้อสุรามิใช้เล่นเหมือนกันนะะมันมีตั้งสิบกว่าชนิดนะโบราณสมัยนี้ครบหรือเปล่ามันร้อยสิบชนิดคงเยอะมากกว่าแล้วนะแต่สมยัยสมัยก่อนก็ไม่ใช่เล่นนะท่านท่านเอามาลงไว้หมดเลยสุรามีกี่ชนิดทําด้วยอะไรบ้างเนี่ยส่วนมากแกเป็นพวกเข้านะพวกเข้า ปลูกกดไม้พวกอะไรต่ไรเนี่ยพวกพืชทั้งหลายแล้วตัวเองก็งดเว้นจากการดื่มสุราเหล่านั้นก็เกิดภาคภูมิใจในขอ้อในสีนข้อวิกาวิกาละโพชนาเนี่ยคือคำว่าวิกาวิกาที่จริงๆมันอยู่หลายแห่ง วิการบางอย่างหมายถึงหัวค่ำนะฮะวิการบางอย่างในหมายถึงหัวค่าเจนมาห้ามภิกษุเข้าไปในบ้านเขาเวลาเข้าบริโภคอาหารในเวลาวิการคือพูดถึงกัางคืนหัวค่ําแต่ว่าศีลข้อข้อหกนั้นพูดถึงวิการหลังจากเที่ยงแล้วไปลดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไป ไม่ปล่อยอาหารผ่านผ่านรูกํำคอลงไปงเฉพาะอาหารนะแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างที่ทราบแต่บทบัญญัติจริงๆเนี่ยคือต่านในการในบริโภคเท่าไรก็ได้ก็บางทีก็ว่าลูกเล่นมากไปหน่อยอย่างนี้นะแล้วก็มองเห็นตัวเองว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากการโรโคอาหารไปหลายการก็เกิดภาคภูมิใจ นัจคีกับมาลาเป็นศีลสองข้อนะที่จริงเป็นศีลสองข้อแล้วก็มารวมก็เป็นข้อเดียวกันก็มองพระอานางหลายพระท่านงดเว้นจากการคนรำขับร้องประคมณรุนซีดีซีตีเป่าต่างๆและงดเว้นจากการประดับประดาร่างกายมาลากันทะบิเลปณะ น, นะมาลาก็เครื่องประดับกันทะก็ของหอมบิเลปณะก็เครื่องรูปลาย ก็มองเห็นตัวเองว่าได้งดเว้นได้ประพฤตปฏิบัติตามนั้นแล้วเกิดภาคภูมิใจก็อยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างมีความสงบแต่พระอาจารย์ทั้งหลายก็มองพระอาจารย์ทั้งหลายว่างดเว้นจากการนอนนะนอนนะฮะไม่ใช่นั่งนะแต่เราพูดเป็นนั่งด้วยที่จริงที่จริงบาลีไม่มีคำวา่มมานั่ง อุจาศยนะแปลว่าที่นอนสูงมหาศยนาแปลว่าที่นอนใหญ่ไม่ได้มีคำว่านั่งอุจาศ ย, ยนามหาศยนาคือเว้นจากนั่งนอนอเว้นจากนั่งบนที่เอาเว้ไม่ใช่เว้นจากนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในมีนุ่นรือจะมีจริงก็ไม่บอกไว้นะไม่ได้บอกไว้ว่าภายในมีนุ่นรจะมีหรือไมเไ่เป็นรายละเอียดที่ไปอธิบายในตอนหลัง แล้วก็ตนเองก็ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็เกิดปีติเกิดประโมทเป็นแนวของศีลานุสติอย่างที่ว่าหมายความวมื่อมองพระหันแล้วก็เกิดดื่มดำ่ำซาบซึ้งศรัทธาในปฏิปทาของพระหันก็พยายามจะเรียนแบบท่านแล้วก็สมาทานศีลหรืออที่ทานศีล จนมองเห็นความบริสุทธิ์ของศีล ท, ที่ตัวเองนะก็เกิดเป็นอาการของศีลอนสติอุโบสถทั้งโบสถ์ศีลทั้งทั้งทั้งแปดข้อหรือจริงๆมันก็เก้าข้อนะฮะท่านแยกอธิบายไว้เป็นสองเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรก5าข้อกลุ่มแรก5าข้อนั้นถือว่าเป็นเป็นกรรมเป็นเวร หมายความว่าใช่คนอื่นทำก็บาปทาเองก็บาปแล้วก็เป็นกรรมคำว่ากรรมเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่ากรรมนั้นถ้าจะต้องเป็นเวรด้วยเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะสากลหมายความว่ากรรมนี้จะต้องตามไปชดใช้เป็นบาปเป็นอกุศลแก่ตัวเองในชาติภพต่อไปนะฮะจะต้องมีเรื่องสากลพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างกรรมขึ้นนะกรรมมันมีอยู่ก่อน ก็มีเท่าที่มีมีเท่าไหร่ก็เท่านั้น น, น, นะครับเพราะฉนศีลห้าข้อแรกเนี่ยเป็นบาปสากลแต่บาปสากลในกรณีที่ศีลข้อที่สามเป็นกามเมนะฮะถ้าเป็นอภรรษมายะสะกลมันเป็นศีลเฉพาะกลุ่มเป็นศีลเฉพาะกลุ่มหมายความว่าเป็นบาปแล้วก็เป็นเวรที่ตัวเองจะต้องชดใช้าบาปเหลังจากที่ว่าค่าเขาแล้วเนี่ย อย่าสมมติว่าพระพระทำสัตว์ตายสมมติอย่างนั้นน่ยนะทำสัตว์ตายการสแสดงอาบัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพ้นบาปนะฮะไม่ได้หมายความว่าพ้นจากบาปในการฆ่าสัตว์แต่ถ้าไปกินข้าวเย็นเนี่ยนะสแสดงอาบาัติเราก็พ้นบาปจากการกินข้าวเยน็นเพราะจริงๆกินข้าวเย็นไม่ได้บาปไม่ได้บาปอะไรมันเป็นมันเป็นระเบียบปฏิบัติของหมู่คณะเป็นกติกาของหมู่คณะนั้นเท่านั้นเอง เงินศีลสามข้อหลังจึงไม่เป็นเวรหมายความว่าใครละเมิดมันก็ไม่ต้องชดใช้บาปกรรมอะไรเพราะไม่เป็นเวรอะไรเพียงแต่ว่าเราทําไม่ได้ถ้าเป็นเวรเวรในตรงในเวรในตัวเสียเสียสัจจะมันไม่ใช่เวรเมื่อตัวละเมิดศีลตรงนั้ น, น, น, น, น, น, น, น, น, นแล้วทีนี้ตัวตัวอับพรัมอับพรัมเองนั้นมุ่งเฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์เนั้นเองนะฮะเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่พูดเรื่องอื่นเลย ไม่พูดเรื่องการจับต้องไม่พูดเรื่องอะไรเลยเป็นอาคารยาวีายัยวีไนของชาวบ้านนะฮะวีไนของชาวบ้านศีลชื่อเหมือนกันทั้งหมดเนนก็เรียกอย่างเี้ยพระก็เรียกอย่างนี้ติสุนีก็เรียกอย่างนี้สามะเนรีก็เรียกอย่างนี้นางติขาน า, ขาก็เรียกอย่างนี้อุบาสกกัสสิกาก็เรียกอย่างนี้อภพรเหมือนกันทั้งหมดแต่อภพรนั้นความหมายไม่เท่ากันพระท่านแยกก็เป็นศีลสองกลุ่ม ศีลบทสดก็เรียกว่าเป็นศีลของชาวบ้านผู้ครองเรือนเพราะฉะนั้นการจับต้องเนื้อต้องตัวอุ้มลูกอุ้มหลานได้เรียบร้อยหมดห้ามเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วจับต้องกันไม่ได้จับต้องกันไม่ได้ น, ะนักบวชผู้หญิงก็จับต้องผู้ชายไม่ได้นักบวชผู้หญิงยิ่งสาหัสนะนะฮะอย่างพิษุณีนี่ยินดีการจับต้องของผู้ชายเป็นประราชิกเลยนะปเวลาชิกเลยขาดจากความเป็นพิษุณีเลยแรงมากเลยสิคะบทแรงมาก นั่นเขาเรียกว่าเป็นศีลศีลของของของนักบวชก็เรียกว่าอนาคาระยะวินยัยวินัยของของคนที่ไม่คลองเดือดเพราะนันห้าข้อแรกจึงเป็นทั้งกรรมทั้งเวรนี่ยนะฮะหมายความาต้องเจ้าช้ายบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตอนเองแต่ว่าสามข้อสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นเวรคือไม่ต้องไปตามเจ้าชายอะไร แต่ทีนี้ถ้าเป็นศิญของพระอีกสิญของพระแนวพวกนี้คือท่านจะเห็นว่ามันมันมันจะมีอยู่สองระดับที่ท่านท่ท่านใช้คำว่าโลกัต ช, ชากับปันติวัชชาโลกวัชชานั้นแปล ง, ง่ายๆก็คือผิดทั้งโลกมหมายความใครทําก็ผิดหมดนับถือศาสนาอะไรอยู่ในลทัทธินิการอะไรไม่เกี่ยวเลยนะมันเป็นบาปสักคน วันศีลห้าข้อแรกที่จริงมันสี่ข้อแรกนะฮะศีลสีส่ข้อแรกเนี่ยเป็นบาปสากลจึงเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งโลกวัชชะคือเป็นความผิดทั่วโลกและเป็นปัณณติวัชชะคือบทบัญญัติของพระวินยัยผิดทั้งบทบัญญัติของพระวินยัยแล้วก็ผิดทั้งกติกาของโลกจึงเป็นเวรด้วยเป็นกรรมด้วยทีนี้พวกอย่างหนึ่งนั้นเป็นปัณติวัชชะอย่างกินเข้าเย็นเนี่ยนะฮะ 3ข้อหลังเนี่ยเป็นปัจนะติวัชะมันมีมันมันมีโทษเฉพาะพวกสมาทานสีนิธานีเองคนอื่นไม่ผิดอะไรจึงไม่เป็นเวรนเนี่ยที่ว่าทีนี้ในในแง่ของการการสมท า, านนะฮะการสมท า, านหรืนการรักษานั้นแล้วก็อาจจะสมาทานหรืออาจจะอธิษฐานหรือ อ, จจอธิษฐานเฉพาะข้อก็ได้ เขเรียกปฏิจเจกสมาทานในฐานทีละข้อเอาทีละข้ออธิษฐานเราเองนะฮะอธิษฐานเราเองก็ได้สมาทานก็ได้สมาทานกับไม่ไม่จําเป็นจะต้องพระนะฮะที่จริงเพื่อนอุบาสบกโดยกันก็ได้อุบาสกปสิกาโดยกันก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็เรียกอัจเจกสมาทานคือสัมผัสหมดหมดทังชุดแนวที่เรามาใช้ในตอนหลังเนี่ยที่ท่านอาศัยในยะอธิวิสุงวิสุงหรือวงจรีนาวิสุงวิสุงเนี่ย ไอเ น, นี่ยคือแนวนี้มันก็ออกมาจากแนวที่เรียกว่าสมาทานทีละข้อแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆหมายความถ้าข้อใดเขาเดืองขาดก็คือหรือว่าขาดเฉพาะข้อเดียวแต่ก็แยกส่วนออกมาแต่จริงในภาคปฏิบัติมันก็ขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ขาดเฉพาะข้อด้านไะมันจะเอาข้ออื่นมาขาดด้วยได้ยังไงในอุโบสถแต่ศีลเหล่านี้ในส่วน ส่วนที่เรียถือว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะฮะถือว่าผิดหรือมีผิดก็เรียวกว่าองค์มันมีองค์ประกอบของการตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิด ค, คือ<ฮ>ของพระพุทธเจ้าท่านมีเกณฑ์ของท่านทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ใครจะว่าเอาได้นะมันไม่ใช่เรื่องของโลกวัชชะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของโลกาธิปไตยหรืออัตตาธิปไตยแต่เป็นธรรมาธิปไตยนั่นมีเกณฑ์วางไว้อย่างเงี้ยถือว่าผิดถ้าถ้ามาอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้ก็ยังไม่ผิด แต่ก็มีเงื่อนไขในธรรมนองคล้ายๆกัรถชนนะรถชนรถเฉียวรกระทบกันมันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันก็ช้ำานะะมันก็ช้าแต่ว่ามากหรือน้อยแต่นั้นเองศีลข้อปราณาธิบาตนั้นมีองค์ห้าคือหนึ่งสัตว์นั้นมองต้องมีชีวิตสองเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามเราตั้งจิตกิจะาสี่ใช้ความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งใช้เองก็ได้ให้คนอื่นใช้ก็ได้นะะให้ให้คนอื่นทำก็ได้ แล้วสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นถ้าครบห้าข้ออย่างนี้ชื่อว่าขาดถ้ายังไม่ครบไม่ชื่อว่าขาดแต่การไม่ขาดนั้นก็อาจจะด่างอาจจะพร้อยอาจจะบกพร่องไปเนี่ย ก, ก, ก, ก็คล้ายๆรถชนรถเจียวอย่างที่ว่าอธินาทานนั้นก็มีองค์ห้าทรัพย์นั้นเจ้าของกวงแหนเรารู้ว่าเจ้าของกวงแหนตั้งจิตกิจจะักใช้ความพยายาม ทำเองก็ได้ใช้คนอื่นทำก็ได้แล้วก็ได้ของนั้นมาด้วยความพยายามเห็นไหมว่าสมบัติชาวบ้านนี่พูดระดับต้องได้ของมาก่อนถึงจะขาดสีแต่ถ้าพระไม่ใช่พระในทําของก็ขยับปรับประบาดแล้วนะของไป็โลภเป็นของก็วางเนี่ยไปจับด้วยความอยากได้นจับด้วยความอยากได้เฉยๆนะฮะของไม่ขยับเนี่ยปรับประบาดทุกข์ของขยับเนี่ยปรับประบัดด้วยใจของเคลื่อนจากที่วางเนี่ยปรับไประชิกแล้วไม่ทันยกเลย เป็นการคุมให้เข้าถึงใจเพราะนั้นไปไปไปแสดงโลภอะไรไม่ได้แสดงความโลภออกมาก็ปราบประบัดประปดัดก็ที่จริงก็คือขาดศีล น, น, นะนะแต่ว่าศีลบางอย่างเนี่ยเป็นศีลที่เขาย่อยเป็นขาดศีลข้อหนึ่งแต่ว่าในเรื่องเดียวกันไม่ถึงข้อหนึ่งเช่นเช่นสมมติว่าท่านท่านท่านไปทําปลวกมดตายสัตว์ตายเนี่ยมันก็เป็น อาบัติปาริจิตตีหมายความมาที่จริงก็สิ้นขาดแต่ว่าขาดเฉพาะในกรณีฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นอาบาัติปาริจิตีเท่านั้นมันไม่ถึงกับขาดจากพระเพราะพระนั้นจะฆ่าคนดานันเด่งจึงจะขาดจากพระกําหนดเอาไว้ที่จริงเป็นการย่อยย่อยเรื่องชีวิตแต่ว่าเอาแยกประเภทชีวิตเอาไว้แต่พออภรรมาในนั้นน่ะในพระบาลีในอัตถกาถาบางอย่างเนี่ยมีเพียงสองประเด็นดานนันเดง หมายความมีเพศสัมพันธ์ปับเดือนนิดเดียดนั่นเองเสร็จละคือคือคือว่าขาดแล้วสีนขาดอะแต่บางแห่งก็ว่าไว้ถึงสี่อย่างสรุปว่าการมีเพศสัมพันธ์กันสุรานั้นค่อนข้างจะแรงเหมือนกันหมายความว่าเออหนึ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเรื่องรองของเหมาเรารู้แล้วก็ดื่มล่วงลําพอลงไปสามข้อต่นนั้นเอง อั น, นสงฆ์องค์ขงศีลมีสามข้อเท่านั้นก็มุสาวาทหรือมุสาวาทเรื่องนั้นเป็นเรื่องเท็จเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงแต่ตั้งจิตคิดจะกล่าวแล้วก็กล่าวออกไปคนก็รู้ค่าคนก็ได้ยินนะฟังรู้เรื่องเพราะตะโกหกกระเด็กไร้เดียงสาเนี่ยไม่ต้องอภิษณ์นะนะไม่ขาดศีลเพราะเด็กเกฟังไม่รู้เด็กเกฟังไม่รู้คนต้องฟังต้องรู้เรื่องรู้ เขารู้ว่าเท็จหรือไม่เท็จไม่ไม่จำกัดแต่เขาฟังรู้เรื่องถ้าเขาไม่รู้เรื่องก็ยังไม่ถือว่าเท็จนั้นเป็นเป็นเงื่อนไขในการเทียบเคียงในการตรวจสอบแล้วก็ตัดสินว่าการบาแต่งเนี้ยผิดศีลหรือไม่ผิดศีลวิกาลโภชนาเป็นการมองถึงว่าสิ่งนั้นเป็นอาหาร แล้วต่อมาก็แยกนะฮะเราจะเห็นว่าแยกเป็นพวก ป, ปานะเรียกเพศสัตว์ปานะเพศสัตว์อาหารถ้าพวกปานะพวกเพศสัตว์ก็ได้ก็ได้ปานะนั้นจะดื่มได้ทั้งในในในในอะไรในการและวิการนะฮะหมายความว่าถ้าถ้าพูดเรื่องเสียงเรื่องในการและวิการมนะันก็ามาจากเช้าถึงเชียงเนี่ย เป็นกาลและหลังเชี่ยงไปเรียกวิกาละดื่มได้ทั้งสองอย่างพวกเภสัตชเภสัตชที่จริงไม่ใช่ยาเป็นยาแก้หิวเนยใสในคข้นน้ำมันน้ําพึง่งน้ำอ้อยนีย่มันไม่ใช่ยาแก้โรคเป็นยาแก้หิวพอตอนพระเจ้าทรงอนุญาตก็อนุญาตเพราะว่าประรภพระเวลาฤดูหนาวฤดูฤดูเนี่ยแถวเดือน10บนแถวเดือน10เดือนสิเดเือน10เดือนสิเอ็เดก็ ส, สาราละดูอากาศมันชื้น แล้วก็อากาศหนาวมันเริ่มหนาวมาตั้งแต่เดือนอะไรอ่ะประเทศอินเดียมันรู้สึกจะหนาวมาตั้งแต่เดือนกันยานะหนาวมาแถวกันยานี่พอหนาวึ้นมาปรากฏว่าอาหารไม่พอพระแย่เลยเป็นโรคบัญยายน์พรเจ้าก็เล ย, เล ย, เ, ลยเลยต้องบัญญัติผ้าพเพิ่มขึ้นอนุญาตภ้าพเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้อาหารเพิ่มขึ้นชื่อว่าเพสัตย์ แต่เราลองดูมันไม่มีเภศาชมันมียาตัวอย่างม่ใส่ในคนน้ำมันน้ำพึงน้ำออยแต่พวกน้ำปานะทั้งหลายพวกนี้ก็ดื่มได้นะดื่มได้ไม่มีปัญหาทางวินัยอะไรทางศีลทางศีลยิ่งย่งไม่มีปัญหาแล้วก็ข้อมาลาคันทะนั้นวิเลปนานะคือการรูปลายนี่ แต่มๆไม่ใช่โสมนะฮะไม่ใช่โสมว่าฉันรักษาศีบลบวชเราจะทำอะไรโสมนมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมาว่าบางทีมันเวอร์ไปอ่ะมันไม่มีในพระบาลีอ่ะคือเราต้องต้องมองดูแบบดูตัว ด, ด, ดูตัวอย่างพระอริยบุคคลที่ท่านปฏิบัตินะฮะดูตัวอย่างของพระอริยบุคคลที่ท่านปฏิบัติอย่างไงเพราะตอนนี้เราดูพระอราหันต์พระรยบุคคล ยังนางวิสาขาบางทีเนี่ยแกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ประดับเครื่องประดับระดาห์มหาปราชญ์ราคาตั้งยี่สิบเจ็ดกุศลอ่สวยไปชนเล่นเน่ยมันมีอยู่สองตัวตันเองนหลวงปูทวีมีนางมาริกากับนางวิสาขาตันเอง ท, ท, ท, ที่สวมเสื้อชุดเนี้แล้วท่านก็ไปอะ่ะท่านเป็นฝั่งเทศอะพระเจ้าประเสริฐในกุศลพระเจ้าพิมิสารก็ทรงราชพูซีตาพรเป็นเต็มยศอะ่ะก็ไม่เห็นว่านอะไรก็ท่านรักษาศีลกุศลอยู่ก็ไม่เห็นว่าอะไระนะฮะ วันจริงๆคือแต่งกายปกติธรรมดาดันแหละแต่ไม่ใช่ประดับประดาประกวดประขันอะไรแต่ลักษณะนั้นจะมุ่งเน้นที่ความสวยงามเป็นหลักคือแข่งขันกันในเรื่องความสวยงามแต่ว่าการการกา ร, การแต่งกายธรรมดาใ น, นจริงไม่แปลกอะไรทีนี้เราเราพูดกันในเราเราไม่ได้ดูตัวบาลี เพาบาลีจริงๆพุทธบัญฑ์ัติจริงๆเนี่ยท่านว่าอย่างท่านว่าย่งไงเราต้องดูตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้เราจะยุ่งกันหมดก็ดูว่าที่ทรงบัญณติไว้ในบัญณั์ไว้ยังไงเพราะฉะนั้นท่าอาหารนะแล้วเราก็กินร่วงลําคอลงไปก็ถือว่าผิดศีลข้อวิกาแต่ก็มีอย่างอื่นเข้าไปช่วยเพราะยันที่บอกไว้แล้วว่าศีลสามข้อหลังเนี่ย นันเป็นอุปการะศีลเป็นอุปการะแก่ศีลเพื่อต้องการให้ชาวบ้านสามารถรักษาศีลข้อที่สามเนี่ยได้บริสุทธิ์ท่านั้นเองนะฮะท่านั้นเด็กแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะปัญหาเรื่องสุขภาพประหลาดทำอะไรด้วยเป็นการตัดกระแสตัวกรตุ้นอารมณ์ทางเพศทั้งหมดนะฮะเราจะเห็นว่าตัดกระแสตัวกตุ้นอารมณ์ทางเพศเพราะว่า ถีงข้อที่สามเป็นศีลอภรรมพผูนี้จึงเป็นศีลอุปการะแต่มันก็ไม่มีเวรนะไม่ไม่มีเวรแก่คนที่ที่ี่ล่วงละเมิดดังกล่าวแล้วแล้วก็อุจาอุจาชนะมหาเสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทนว่าปรยุะธ์ต้งสิบแปดอย่างไงแสดงว่าคนสมัยนั้นในกามาสุขานิการนุโยกเยอะเลย พวกเตียงที่สมาี่นอนมีทั้งสิบแปดชนิดน่ะลาดผ้าอย่างบางชีนี่คนสิบหกคนขึ้นไปเต้นราได้มันเอาไปนอนอคนคนนี้บกคนขึ้นไปได้รำเต้นราได้นางระบำสิบหกคนขึ้นราได้แล้วคนเอาไปนอนโวมันก็ริบๆก็เตียงใหญ่โตสิบแปดชนิดน่ะแส้งสมัยนั้นนะเจนเลนน่ะมันมันเป็นยุค ยุคเอมาเองยังมองเมื่อที่เราพูดถึงยุคโลกาภิวัตเนี่ยถ้าเราเทียบยุคพระพุทธเจ้าแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าคืนนั้นก็คือยุคโลกาภิวัตเป็นยุคสังคมบริโภคกามาตุขานการนโยกแรงคนจะแข่งขันการบริโภคแข่งขันอวดมั่งอวดมีอวดความร่ํารวยกันเรลองดูว่าเสื้อแต่งงานนาวิสาขาราคาตั้งสิบยบเจดโกรธทําทําไมทำทำไมตั้งยี่สิบเจ็ดโกรธรุ่งร่างไปหมดเลย คนอื่นถือไม่ไหวนะมันหนักหนักมากนัวิสาขากับนางมาลิกาตันเอง ท, ที่ที่ที่สวมได้นะคนอื่นสวมไม่ได้เลยมันหนักเกินไปมีเพชรมีอะไรตรไรสารพัดนะย่สิบเจ็โกดกหาปัญะ น, นะพอขายเครื่องประดับแล้วสร้างวัดได้วัดยังไงไม่ใช่เชล่นนะะเราจะเห็นว่ากามาสุการิการนุโยคไม่ใช่เชล่นใปร า, าสาทเทพธิดายู่ปร า, าสาทในการบํารุงบําเรอ เรานึกดูพระพุทธเจ้ามีสนมหกหมื่นก็ได้กันนะกินยังไงอยู่ยังไงโอ้โหมันวุ่นวายเจียวเจ้าหน้าดูเลยนะมัน ม, มันไม่ใช่เล่นนะฮะพยายามจะแข่งขันกันในเรื่องนั้นตรว่เตียงอย่างเดียวมีตั้งสิบหกสิสิบแปดนะสิบแปดชนิดอย่างนั้นอย่างนั้นยังอะไรไปไิบาว่านี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นอุโบสถตสบ แต่ทีนี้โดยจุดมุ่งหมายในการมองการมองมก็ เ, เกิดจากจิตสำลึกอย่างที่ว่ามองปฏิปทาของพระหันทั้งหลายแล้วก็ยึดถือท่านเป็นแบบแต่ในที่นี้มันไม่ใช่แนวระดับศีลอย่างเดียวนะท่านจะเห็นว่าเป็นแนวระดับธรรมะโดยคือระดับของสีลานัสติมองพระหันน้อมปฏิปทาพระอรหันมาเป็นหลัก โดยการสมาทานโดยการตํารวมรักษาแล้วก็ปฏิบัติได้ตามนันมันไม่ใช่สมบูรณ์แบบพระอาหารหันยังไงยังไงพระอรหันทั้งกบริสุทธิ์หมดทั้งศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่าเรามองเห็นความบริสุทธิ์ระดับศีลและเกิดเป็นปีติประโมคขึ้นมาที่มองเห็นว่าตนได้ดําเนินไปตามปฏิปทาของพระอรหันทั้งห เราสังเกตว่าพระสูตรสองพระสูตรที่ว่ามาส่วนส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆที่จริงถ้าเราจะว่าตามติกานิบาตอังคุตตรนิกายอยันที่เคยว่ามาโดยลําดับวันนี้มันอยู่ในโสจยสูตรซึ่งข้อความแนวเดียวกันสสจิยาก็คือสะอาดสะอาดอะไรก็เืออาดิกายที่ว่าใจาที่ใจมันก็เท่านั้นเองไงางคนก็มีเท่านั้นนะเพราะว่าในเรื่อง การมองศีลก็คือการสำรวมระวังที่เกี่ยวกับชีวิตตัวเองในชีวิตตัวคนเองเราจะจะจ ะ, จะเห็นว่าไอ้ศีลศีลศีล ส, สามข้อหลังเนี่ยมันมุ่งที่พัฒนาจิตเราเองมันเหมือนกับอะไรมีลักษณะคล้ายๆกับมงคลสูตรมงคลสูก็จะเดินมาเรื่อยๆจนถึงวินโยจะสุสิกิโต มันมีตัวเรากับสิ่งแวดลอ้อมนะสิบข้อเนี่ยสิบข้อนี่มีเรากับสิ่งแวดลอ้อมว่าคนนี้แวดล้อมเป็นพัฒนาการส่วนตัวเองแต่เรานั้นเป็นสัตว์สังคมต้องเกี่ยวข้องคนเพราว่าคนเกี่ยวข้องคนครั้งแรกก็คือสุภาติตาสยาวาจาต้องพูดให้เป็นสุภาพสิตไม่กล่าวร้ายใครไม่ทําลาย ต่อไปก็อะไรก็คือเรื่องขอครอบครัวมาตาพิตุปัฏฐานุพุทธดารัตสังกขโหนากุลาจกามันตาอิตมังกลมุตตังห์นะพัฒนาครอบครัวเป็นระบบที่มุ่งสันติสุขให้แก่ครอบครัวครอบครัวอยู่ดีมีสุขแล้วต่อไปอะไรอติวรติปาปามาชัปานาจตันหนพัฒนาจิตละอตีเวรติปปามดเวนบาสัรวมระมัดระวังระมัดระวังอย่าไปเกี่ยวข้องใดสิ่งเสพติดทน แต่ที่มันเป็นครอบเป็นครัวที่จะต้องดูแลรับผิดชอบมาต้องขยันทํางานย้ายงานมัาค้างๆวันนี้จะมีปัญหาเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้สร้าง ค, ความสุขก็เกิดครอบครัวแม่ก็มาเดินไปเรื่อยจนจนถึงไปไปถึงอะไรไปถึงตัวที่เรียกว่าตโปจะพระมจริยญจะนั้นคืออริยมรรคแล้ยอริยสัจเไยตาโปจะพระมจริยนจะอริยสัจนะท่านนางเห็นไหมตาโปจะ ตาปากก็คือความเปลี่ยนพยามพรหมจรรย์ก็คือพรหมจรรย์นเนี่ยพรหมจรรย์ตั้งตั้งแต่ที่ว่าไปนี่นะอริยสัจจานารังจนเห็นอริยสัจสีตามความเป็นจริงพอเห็นแล้วเป็นเป็นยังไงมันก็อยู่ในโลกนี้แหละอยู่ในโลกนี้แหละแต่มันจะมีคุณสมบัติเด่นอยู่สามอย่างซึ่งสมบูรณ์จริงๆก็คือคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ ที่ท่านบอกว่าพ um, ุทธสโลกะธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปติอโศกังวิริชังเคมังเอตมังกัลมุตมังจบละอันนี้นิพานแล้วนิพานแล้วพุทธสโลกะธรรมเมหิเราเกี่ยวข้องกับโลกโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบม่ยศเสื่อมยศได้นินทาสันเสริมมีสุขมีทุกข์เราก็ทบหมดแต่เราไม่ฟูไม่แฟดไม่หวั่นไหวพุทธสโลกะธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปติแม้กระทบจิตก็ไม่หวั่นไหว กระทบนะไม่ใช่ไม่กระทบกระทบมือเมือนกันเนะ่ยพระพุทธเจ้าบางทีก็แรงกว่าสิโดนแรงกว่าพระหานั่งหลายก็โดนแรงกว่าเพราะเราบางบางทียังไม่มีใครโดนขนาดพระพุทธเจ้าอ่ะนะอาดุษิตตัวเองขึ้นปู่เขากริ้งหินในทับแต่ไม่ใช่เล่นนะี่ยนะไม่ใช่เล่นเนะ่ยมันมันมันมันมั น, มนทไทยไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะอาโศ ก, กังคือไม่เศร้าโศกวิริชังใจมันไม่มีกิเลสไม่มีทเทวดา เขมบางใจก็เกษมตลอดโปร่งตลอดเบาตลอดนั้นก็คือเป็นระบบที่เดินขึ้นมาเรื่อยๆท่านท่านหลายลองเห็นว่ามันมันมาจากไหนมันมาจากก็ผาบัณฑิตบูชาผู้ควรบูใจเห็นไหมอันนี้ก็คือแนวมองพระอระหันต์มันเป็นระบบเดียวกันเป็นระบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะเรียนมาจากอะไรธรรมะเราเรียนจากจากคนแล้วเกิดสํานึกที่จะเอาอย่างแต่อย่างงดเว้นบางคนมันก็มีสองประเภทอะ เเอาอย่างหร้จะงดเว้นมีคนดีคนชั่วคนชั่วเราก็เอาอย่างไม่ใช่คนคนดีเราก็เอาเอาเอาอย่างคนชั่วเราก็งดเว้นทีนี้บางทีคนชั่วเนี่ยมันไม่ใช่ชั่วทั้งหมดเขาเรียวกว่าเอเยี่ยงอย่างเอเยี่ยงเราอย่าเอาอย่า ง, เ, อาอางเราก็สามารถที่จะเอาอะไรมาได้อย่างแนวในอุปมาในในมิลินปัญหาเนี่ยนะครับท่านสอนบทเรียนชีวิตจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมด อะไรก็ได้ดินน้ําลมไฟอากาศลําธารแม่น้ําปลวกมอ้อตเตางูอะไรต่อะไรนี่เอามาเป็นครูหมดได้เลยนี่เป็นการเรียนธรรมะจากสิ่งที่ใกล้ตัวเพื่อนที่ได้หรือเพื่อที่ไม่ได้เดีวเป็นหลักแต่ว่าต้องเข้าใจเลือกต้องใช้ปัญญามากนะต้องใช้ปัญญามากแต่ว่าท่านนมาแนวมองพระหันมากก็ไ ม, ไม่ไม่จําเป็นอะไรต้องใช้ปัญญาใช้ศรัทธาเลย ใช้สถาได้ไปเลยเพราะเป็นปฏิปทาหลักเป็นปฏิปทาที่สมบูรณ์แนวนี้จึงส่งสอนแนวที่ให้ดูตัวคนดีแล้วก็ชือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ใช่ในแนวนี้แนวเดียวนะฮะอีกแนวหนึ่งก็คือมองเห็นพฤติกรรมคือการกระทำของเขาในขณะนั้นๆแล้วสร้างความประทับใจนะฮะมีความบันดาลใจมีความพอใจในการกระทาของเขาก็เรียนแบบด้วย เรียนแบบที่จะน้อมมาปฏิบัติหรือถ้าเขาทาไม่ดีเราก็งดเว้นบางทีก็ดีดูตัวคนนั่นแหละตัวใจตัวผลที่คนเหล่านั้นได้รับถ้าเป็นความทุกข์ความสุขความเสื่อมความเจริญก็สืบสาวทําไมก็ทุ ก, ทกข์ทำไมก็สุขทําไมก็เสื่อมทําไมเขาเจริญแล้วก็ได้หลักมาเป็นแนวในการดําเนินที่จริงเราสนใจประวัติคนอื่นเยอะนะ มาอย่างนหนึ่งที่จริงพวกนี้ถ้าเราใช้เนี่ยนะเราใช้เช่นเช่นทั้นบนบงหมดวงการทั้งหลายเนี่ยวงการทั้งหลายวงการสืสสบสวนสอบสวนงานของรัฐเนี่ยเราต้องพูดคนนั้นปั๊บเรารู้ตลอดอวันนี้ก็ขี่เข้าไว้ในคอมพิวเตอร์กดชั่วขึ้นมาเห็นหมดเลยรู้หมดเลยมันต้องศึกษาประวัติคนแต่เราศึกษาไม่ใช่มองไปในแนวที่จะใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองนะฮะแต่เราจะศึกษาในแนวที่จะ สแสวงหาท่องโทษของคนเหล่านั้นเวลาเขาทาผิดเนี่ยมันศึกษาเพ่อจะจับผิดเขาแนวตัวนี้ที่ยริงก็แนวแนวเดียวกันวาสมัยพระเจ้าก็ศึกษาแต่พระเจ้าศึกษามาไม่ใช่เพื่อจะเพ่งโทษเขาศึกษามาเพื่อจะหาประโยชน์จากเขานําประวัติมาให้ศึกษาทั้งของคนดีคนไม่ดีประวัติพระพุทธเจ้าประวัติพระหันประวัติโอ้พระเทระพระเทรี ปบะศกปริกาประวัติเปรตประวัติสัตว์นรกประวัติเทพบุตเรตเทิดาเยอะไปหมดเลยนะอันนั้นก็คือแนวเดียวกันแนวเนี้ยว่าทำยังไงให้เราเอาแนวของคนเหล่านี้มาเป็นหลักหลักอะไรหลักก็มีอยสองหลักกันหลักควรเว้นหลักกัน ห, หลักการที่ควรประพฤติปฏิบัติที่ในในการรักษาโบสถเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไป ก็เป็นกุศลเจตนาที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวตั้งใจตัวแรงกระแทกที่แรงกลับเป็นเรื่องพิการถึงเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรื่อรับประทานอาหารในเวลาวิการเนี่ยกลายเป็นตัวปัญหาที่คนไม่ค่อยยอมสมาทานกลัวจะหิวกลัวจะหิวยังให้ศีลในโบสถนี่ชัดมากเลยนะให้ตอนสมาทานศีลดังลั่นเลยนะพอมอปว่าถึงวิการแล้วหายไปตักประมาณตักงเจซเสียงมันหายไปเลย เหลือไปกี่คนนะฮะเหลีตัวที่กลัวจริงๆเราไปกลัวตอนตอนวิกาครับแต่ถ้าเรามองว่ามันมั น, ม, นมันเท่าไหร่ละ่ะวิกาเนี่เรากินข้าวถึงเชียงเน่ยนะฮะตอนบ่ายมันก็หกชั่วโมงตอนกลางคืนอีกไม่ถึงสิบสองชั่วโมงนะไม่ถึงสิบสองชั่วโมงอ่ะก็วันสิบเอ็ดชั่วโมงวันสิบเจ็ดชั่วโมงก็ตีได้ว่าก็ประมาณเท่ากับสิบห้าชั่วโมง สิบเจ็ดชั่โมะคิดว่าสิบเจ็ดช่วโมงกันนะมันก็ไม่นานอะไรที่สำคัญย่างยิ่งคือเวลาทั่วใหญ่เรานอนอะ่ะใช่ไหมฮเวลาส่วนใหญ่เราก็นอนนอนได้ตั้งเยอะนอนได้ตั้งห้าหกชั่วโมงแล้วก็งานการอะไรก็ไม่หนักอะไรคือไม่ได้ใช้แรงมากอะไรสมมติที่หิวขึ้นมามันก็มีอะไรน้ําปานนะมีอะไรอะไรเยอะยบบอย่างในปัจจุบัน้มีของเยอะของเยอะไม่ไ ม, ไม่ไม่หิวหรอก แต่จะเห็นอย่างหนึ่งคือกายมันเบากายเบานะฮะทำให้กายมันเรียกเบามันสละสวยมันก็เคลื่อนไหวได้ไง่ายเราตัดความกังวลอะไรไปได้เยอะผู้เจ้าดูแลสุขภาพนะฮะไม่ไม่ใช่นิ่งๆบัญญัติดูแลสุขภาพลุกสิทธ์ด้วยหนาวไปไหมอีวอนสามผืนนี่หนาวไปไหมหนาวไปก็แก้ไขปัญหาหรักษาศีล บริเวณอาหาในเวลาวิกาลในหิวมากไปไม้บางฤดูเนี่ยมันหิวไปก็อนุญาตพิเศษแล้วอนุญาตพราะอนุญาตเอราะอนุญาตเป็นการสากลรือไม่เฉพาะเดือนนะฮะที่จริงมันประรบเดือนฤดูสัตร์แต่ตอนตอนอนุญาตไปจริงก็เป็นอนุญาตโทั่วไปเป็นการพยายามปฏิบัติเพื่อฝึจกจะน้อยที่สุดเี่ยที่ทรงแสดงก็ให้รักษาศีแนว แม้อย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยก็เป็นโคปาล้อุบาสกก็ยังดีอุอุโบสถศีลก็ยังดีคือรักษาไปแล้วได้ระยะหนึ่งมันจะขาด ไ, ไปบ้างก็ดีกว่าไม่รักษาเป็นการเป็นการพยายามปฏิบัติฝึกปรือฝึกปรือตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการควบคุมที่นี้บางอย่างเนี่ยนะฮะบางอย่างอย่างในกรณีของนัจจะยีตาวาดิตาเนี่ยนะ พร้อมำกับพร้อมกับคมดึงีดีสีตีเป่านี่ันไม่ถึงกัห้ามดูเลยเหระแต่ปัญหาว่าดูยังไงสมมติว่าเราเรอบ้านเราอยู่ตรงนี้เขาก็าเปิดมึงก็เราก็ได้ยินอยู่นะได้ยินก็ได้ยินไปได้ยินก็ได้ยินไปแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับตั้งใจไปดูถ้าตั้งใจไปดูมึงก็ผิดทีนี้มันก็อยู่ที่วิธีการดู ก็ เ, เรียกว่าเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเราจะเห็นว่าเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะมันอยู่ที่การคิดของคนว่าคนก็คิดอย่างไงอ่ะอะไรก็ได้นะฮะคนสามารถที่จะคิดได้เป็นธรรมะขึ้นมาได้เลยพันนาความสวยงามของท้องฟ้าอากาศดอกบัวและอะไรนี่ว่าไปนะแต่ในนั้นมันก็แสดงอะไร จะมีพระเป็นนั่นมากที่ท่างฟังเขาร้องเพลงแล้วบรรลุมรคนเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยเพราะในเพลงที่จริงมันก็คือสะท้อนคติธรรมเราลองนู่จับเพลงไหลกันมาก็ได้ามาอย่างพยายามยุพวกพวกไอเราจะอ่องออกเองก็ น, น่าเกลียดอนะฮะามาอยากจะใช้เรื่องธรรมะขีตาเพราะาคนต้นใจเพลงอยู่เยอะ เนี่ยเราจะได้จะได้แฟนวัยรุ่นอะไรอีกเยอะนะฮะเราเพลงเนี่ยเราจะพูดก่อนพูดเนื้อหาของเพลงพูดในแง่ของธรรมะบรรยายเนื้อหาของเพลงแล้วก็ตลกด้วยเพลงนะเต้นข้าน้ำนมครูอะไรต่ออะไรเนี่ยอะไรต่ออะไรมันมีเยอะธรรมะมันมีเยอะเลยจร่งรัตน์นี้จริงก็คือการกระทำธรรมะเขาเรียกว่าธรรมะที่ h, เพลงขับที่ประกอบไปธรรมะ นการแส ด, แดงที่ประกอบไปด้ธรรมะอย่างภาษาดิบุตรท่านก็ได้แนวคิดต่การแส ด, แดงมันไม่ใช่เครียดนะครับคือว่าสีเนี่ยปฏิบตัติท่านบอกว่าเคร่งครัดแต่อย่าเคร่งเครียดนะครับเดี๋ยวเคร่งเครียดลระประสาทเป็นเป็นปกติเป็นการปฏิบัติปกติตามท้งควรแก่ฐานะของบุคคลเรานั้นแล้วในด้านผลด้านอานิสง อันสมของศีลที่ทรงใช้ับว่ารักษาสมทานสมทานรักษานะฮะสมาทานรักษาดีแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความก้าวหน้ามากมาพโลโหติมานิสังโซนี้เจ้จะว่าโดยแห่งมาพโลโฮติมานิสมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความก้าวหน้ามากมันเป็นการปรับจิตตัวเองขึ้นไปนั้นส่วนหนึ่ง พระธรรมวปฏิบัติในทางศาสนาทั้งหมดเลยนะครับไม่ไปว่าอะไรก็ตามมันมุ่งลดโลกโกดลงเป็นเป็นพื้นเลยหมายความว่าทําอะไรก็ได้มันก็จะกลับมาสู่การลดของความโลกความโกดความโกงตรงนี้เป็นการลดแม้แต่ตัดกระแสตัวกระตุน้นเพราะว่าเพราะในแง่ของธรรมวปฏิบัติเนี่ยมันมุ่งความสงบของจิตจิตที่สงบมันก็พวกนี้ต้องลดลงไป ทำให้ลถมันไม่สนุกทีนี้บางอย่างจะเห็นว่าเป็นต้านตัดกระแสตัวกระตุน้นมันต้องนึกถึงถึงถึงนักร้องคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังในพระสูตรนะฮะที่ที่เข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าค ร, รูบาอาจารย์เขาสอนมาว่าอาชีพอย่างเขาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศ ล, ศลคือสร้างความรื่นเริงมเทิงใจให้แก่ชาวบ้านบางงั้นก็ตายแล้วจะเป็นเกิดเป็นเทวดาเทวดาที่มีความรื่นเริง ถามว่าจริงหรือเปล่าแต่ครูบาอาจารย์สอนพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอย่าถามเลยแกก็ขยาบอ้อนวอนขอร้องพระเจ้าบอกว่าอย่าถามเลยตอบไปเดี๋ยวเธอจะเสียใจแกก็อ้อนวอนนะพระเจ้าบอกไม่จะขึ้นสวรรค์นรกเลยเพราะอะไรเพราะว่าไปกระตุ้นกิเลสเขาการแสดงทั้งหลายในโยเดย์ว่าเราก็นั่งยืนดีนะครพอไปดูมันกระตุ้นกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโลภะกระตุ้นริษยา บางทีแม่ยกที่ที่ที่มันในเรื่องเหล่านี้มากเนี่ยยกตะบันหมากปล่าหัวหตัวโกงไปตีประตูตรายพระเอกอะไรอะไรเนี่ย้เราจะเห็นว่าโทสะมันเกิดขึ้นมาจากตัวกระตุ้นคือการแสดงทีการบารรดาศักดับศีลเนี่ยศีล น, นัจะกีตานัจะกีตะวาดิตาตบตลอดถึงมาลาอุจจาร์นะมาลาอุจจาเนี่ยและแม่แต่ตัววิกาที่บอกว่ามันตัดตัวกระตุ้น อาหารนั้นเป็นตัวเพิ่มเร็วแรงเพิ่มกำลังเราก็ตัดล้วก็ตัดตัวกระตุนตัวนั้นตัดทางกายเห็นไหตัดทางกายแล้วก็การดูในตัดทางตาการฟังในตัดทางหูเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลนกายก็คขึ้นางตาหูจมูกลิ้นกายอุจาก็ตัดทางกายตัดทางกายตกลงว่าตัดทางตาทางหูทางจมูกด้วยนะฮะเรามี รอไม้ทางลิ้นทางกายเห็นไหมฮะตัดกระแสของกามคุณคืออะไรอะ่ะคืออะไรถ้าเราจะถามว่าศีลพระนี่ถ้าศีลพระคืออะไรถ้าศีลพระคืออินทรีสังวรเห็นหนะมศีลพระก็คืออินทรีสังวรสำรวมระวังอินทรีเพื่อไม่ให้จิตเกิดความยินดียินร้ายเวลา ไ, ได้เห็นได้ยินได้ถึงตรงนี้มันจะต้องก็คือกันาะทางเกิดของตรงนี้แต่ทีนี้ศีลแปดแมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ไม่ใช่เอากันขนาดนั้นเอาได้เพียงว่าหยุดเสียนะตัดกระแสเสียแล้วก็ลบเสียไม่ใช่ไปต่อสู้กับมันไม่ใช่พอเห็นแล้วคุมจิตแม่ยินดียินได้อันนี้มันมันมั น, ม, นมันแรงเกินไปมันมันกันสู้ไม่ไหวคืออย่าเห็นเลยอย่าเห็นเลยต่อสู้ศึกไม่เคยแรงนักนะฮะเป็นบันไดอีกเขา้าอีกขั้นหนึ่งท่านท่า น, ท, น, ท, นทั้งหลายลองลองสังเกตุมันลึกเข้าไปถึงจิต เลื่ไปถึงจิตเยอะแล้วแต่ละข้อนั้นจะสอนในแนวถึงจิตทีนี้เป็นเป็นการเดินเดินของจิตพอเดินจิตพอจิตเดินนี่มันไม่ต้องนับข้อก็ได้แนละ้วถ้าจิตมันเดินได้จากข้อนะฮะมันจะเกิดขึ้นเองโดยอันตโนมัติเหมือนอะไรเหมือนเราลุกขึ้นยืนมันทุกส่วนมันยืนหมดทุกส่วนมันก็เคลื่อนไหวหมดสมมติว่าเราลกุกยกจิตระดับข้อที่ห เ อ, เอาที่ข้อที่หนึ่งที่ทรงแสดงไว้พระอานาทั้งหลายนั้นงดเว้นจากปานาธิบาตไม่พกพาศิษอาวุธเครื่องประหารอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกดรายหรือความพร้อมที่จะต่อสู้ปัสทุวะไกันมีความสำรวมระวังํารวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกัสตว์ทั้งหลายไม่กระทบกระทั่งชีวิตร่างกายไปปัสสาวะไรชีวิตร่างกายรับ แล้วก็มีทิริอรุตตระเห็นไหมฮะมีหิริอตตระสํานึกถึงการพูดการทําการคิดที่เป็นการรัตุสรายพอเป็นบาปจนละอายบาปไม่ทําไม่พูดไม่ไ ม, ไม่ตรงนี้ที่จริงไม่ทําได้เป็นบาปนะฮะไม่ทําได้เป็นบาปเพราะเป็นเรื่องของทางกายมีความเมตตาเอ็นดูตรงนี้ไปเลยอยมีความเมตตาเอ็นดู ต่อสัตว์ทั้งหลายพอจิตเมื่มาอยู่ตรงนี้เราก็กลับไปที่นอ่นเลยกลับไปที่สามข้อหลังนะฮะทานเห็นวจิตตรงนี้ไปได้เลยแล้วการแสดงพรํารขับร้องกม่พูด่อะไรว่าดูเฉยไม่มีความยินดียินได้แล้วเพราะใจมันมีมีมีหลัก แ, แล้วใจมันมีความเมตตาอินดูมองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ยินดียินได้อะไรมันก็เหมือนอะไร มันก็เหมือนนางตันหาราค่าตีมาไล่ารามอยู่หน้ารพระพรพุทธเจ้าเรใจมันกม็มีอะไรอะ่ะมันั่งดูดูดูก็ดูก็เต้นก็กเต้นไปมันพเลยเรียกกันใจตรงนี้จึงเป็นใจที่พัฒนาเท้าพัฒนามากจากศีลเข้อเดียวก็พอแล้วพอเป็นธรรมมแล้วศีลนี่ไม่ต้องนับแล้วนะไม่ไ ม, ไม่ไม่จะเป็นต้องนับอะไรเลยมันเป็นศีลที่เรียกว่าศีลรักษาเรา คือเราไม่ต้องไปนับข้อต้องสํารวนรวงังศีลต้องนับองค์ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องอะไรมันมันเป็นโดยอัตโนมัติมันเองเป็นปฏิกิริยาทางจิตที่วินิจฉัยอารมณ์ซึ่งมากระทบแล้วก็สลายความรู้สึกในทางไม่ดีออกไปแล้วก็เหมือนเลยพอพอเราเมตตาอินดูเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าก็จะเกิดความโลภในทรัพย์สินคนอื่นเข้าว่าเราก็เมตตาคนนะ่ะ เราก็ไม่ตาคนเราก็ไม่ตาเจ้าของเขาเราจะเอาเขาได้ยังไงเพราะของนั้นเจ้าของเขาห่วงแหนทั้งนั้นเห็นไหมของเขาห่วงแหนแล้วบอกของก็ห่วงแหนเพราะเราไม่ตาคนเราก็ไม่ร่วงเกินของมันก็จบละพออภรรมเข้าวเราก็ไม่ตาตัวเราไม่ตาเขามันก็ไม่ไปอีกละพูดเท็จเราก็ไม่ตาเราไม่ตาเขานะฮะไม่ตาเขาเราก็ไม่พูดอะ สุรากระบนกัรก็ไม่ตาเราไม่ตากดในเกี่ยวข้องเรามันมันมันมันไปมันเองไปเองเป็นการแสดงในลักษณะตอนต้นๆก็คล้ายๆจะเยอะนะฮะตั้งข้อทั้งแปดข้ออะเลยคนก็กลัวกันนะจริงๆแล้วพอปฏิบัติทางจิตพอถึงจุดหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีการนับข้ออย่างนั้นมันมันจะเหมือนอย่างอื่นทั้งหมดมันเหมือนกับเหมือนกับการนั่งอะไรล่ะขี่รถ ขี่รถกับรถอะไรแต่ไรเนี่ยนะฮะมันจะอาจจะเกรงอาจจะเครียดหรือการเขียนหนังสือหรือการทํางานบางอย่างเนี่ยครั้งแรกมัก็เกรงมันก็เครียดที่เขาเรียกว่าพระใหม่นะฮะพระใหม่มันมันต้องระมัดระวังมากเพราะว่าเรายังไม่แม่นนะเรายังไม่แม่นแต่พอพระเก่าแล้วนี่มันรู้โดยทันทีเลยมันมันถูกรู้มันผิดยังไงเนี่ยนะรู้ทันทีเลยทํายังไงอารมณ์ที่ให้เราผิดมันไม่ใช่มาพร้อมกันทั้งหมด ไม่ใช่ว่ากาละมิศีลมาพรา้อมมาทีเดียวแปดข้อมไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะมันมาทีละอย่างแต่นั้นเองหน้าทีละอย่าง น, นั้นเองเพราะฉะั้นถ้าเราคิดอะไรทันตรงนั้นมันก็ห ย, ยุดหมดเพราะแนวศีลหรือแนวธรรมะที่ส่งอุปมาว่าแนวเมตตาน ะ, ะที่สรงอุปมาว่าเหมือนกษัตริย์โบกนีที่สะอาดเนี่ยมีน้ํามากคนทิ้งของสกปกรกลงไปนั้นก็สลาย มันเป็นรอยนิดเดียวไปเดียวก็หายแล้วแต่ว่าธรรมะเมตตาเนี่ยจะพูดแบบกระแสโดยเห็นว่ากระแสน้ําที่ไหลน้ําสะอาดด้วยแล้วน้ําไหลด้วยเนี่ยมันจะสลายได้เร็วมันจะย่อยเพราะฉนั้นจริกูประมาเหมือนลมเ ห, หมือนไหลมที่พัดผ่านลมที่พัดผ่านมันก็เจอของเหม็นจะพูดมันก็หายไปซสีเหมยนก็จางไป จ, จ, จนหมดเหม็นไปนี่แนวนี้แนวธรรมะที่ส่งสอนในลุ ก, กระแส กระแสมันมันจะมีกำลังในการสลายสิ่งที่เป็นขั้ศึกขั้ศึกต่อตัวเองด้วยอันนิสงของศีนั้นก็สงแสดงว่าคนรักษาศีนเนี่ยจะสมบูรณ์ในพวกุสมบัติสีเลนะพวกคกณสมบัตินะจะสมบูรณ์ในพวกุสมบัติแล้วไม่มีความเดือดร้อนใจ ไม่วิตกกังวลจะไปในะที่ไหนก็ตามจะมีความองอาจกล้าหาญในสมา ค, คมเหล่านั้นมีความมั่นใจตัวเองนะฮะไม่ต้องกลัวการโจกกันทวงอะไรไม่ต้องเดินก้มหน้าอะไรเลยแต่การไม่ต้องเดินก้มหน้าบางทีหน้าด้านก็เอาเหมือนกันนะนายคนด้านด้านบางทีเขา ก, ก, ก, ก, ก, ก็ทนได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าลึกๆเนี่ยเขาก็วิตกกังวลเห็นไหมฮะเพราะว่าอานิานสงส์มันได้ครบได้ครบ จิตใจจะไม่มีความมีตกกังวนที่ท่านวิปัสสาาใจแลยเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายเป็นศีลักคันโทนุตโรนะฮะกลิ่นของสีมันไปได้ทั้งตนวลมและกระตามลมแล้วให้ประโยชน์สุขแก่คนทั้งในโลกนี้และในโลกนละฮเมื่อก็มีอันิสงในตอนท้ายไว้ทุกแห่งอย่างที่บอกว่าไม่หลงตายคือตายยังมีสติ แจะตายไปแล้วนะจะบังเกิดในสุกติทีนี้ระดับโอโบสถศีเนี่ยค่อยๆลงตัวเลยเนะฮะให้ลงลงตัวเลยว่าแม้แต่มนุษย์ก็ไม่ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะมันต้องเป็นเทวดาก่อนละเพราะศีนมันสูงมากจิตใจมันมั น, ม, นมันมีอะไรมีฮีริซึ่งเป็นเทวธรรมอยู่ด้วยนะมีเมตตาซึ่งเป็นพรหมธรรมอยู่ตรงนั้นแม้แต่เมยกึ่งเดียวก็เป็นเป็นเทวดานะกึ่งเดียวก็เป็นเทวดา นี่ก็เป็นเรื่องของอุโบสถสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยศีอุโบสถวันนี้ก็ขอขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข็อความเจร็ญงด ง, งามไปบปุนในธรรมจะมีแต่ท่านสาชนหลายโดยตัวกันทุกท่านถือ